แผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่กูเกิดมึงอย่าทิตหลวงล้ำมาทำลายเต็มไปทั่วมัวไปเรื่อยพวกสิทไายมึงอย่าไมายํำดีปัตพภิกูไทรนี้รัฐโลกแต่เธอไม่ลาดสูกสุดความเจ้าหน้าที่บริรัก บินใจพกปู้อยู่ปู้ปู้ตายที่ตรงนี้ยืนอยตป้องปัดสัตว์ที่เพื่อลูกร่างเลือดแหลกเหลือดใจแหลกใจมาแดนนานขบตาบานจป ก, ปก เมือสัตว์ดูเมื่อประชิตอยู่ชายแดนใจหัวแขนปกป้องแดนที่รักษาปรักาศตรงให้คนรู้ทั่วโลกาคนไทยแ้าไม่เคยคิดสูกรานไวยไทยรักสนุกแต่ถึงเรบไม่คราบสูสุดความสามารถ้าปล่อยมิมอัตว์ตูไป นี่คือแผ่นดินไทยพวกกูอยู่พวกกูตายที่ตรงนี้จึดหยัดตรงปักทะพี่เพื่อลูกหลานเหลือดแสเหลือดใจแลกใจวานานานโคซาบานจะพบพบแผ่นดน สาบถีกันไว้พี่น้องไทยรวมน้ำใจส่งไปให้เราพูกลาขอให้สู้จงยิดวันในประช้าชาติสาติ์ตดสัตว์รักษาอยู่สืบไปนี่คือแผ่นดินไทยเพราะกูอยู่กูกูตายที่โตนิชยืนหยัดปงอัตถีเพืือยลูกลา เลือดแหลกเลืใจแหลกใจเพราะนื่นนานโคตาบาลจะปกป้องแผ่นดิน